พวกเราคงทราบดีนะว่าเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะที่หนองบุรลำภูมาเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ น, นะไม่ใช่เฉพาะคนในเมืองไทยเท่านั้นนะแต่เรียกว่าสะเทือนขวัญคนทั้งโลกเลยนะเพราะว่ามีการฆ่าหมูนะด้วยคนคนเดียวนะคนที่ตายไปก็มีถึง 38, 38คนเป็นอย่างน้อยในจำนวนนั้นก็ มีเด็กนะถึง24คนเป็นเด็กเล็กเด็กอ่อนนะในศูนย์เด็กแล้วคนที่ฆ่าแนละ้วก็เป็นอดีตตำรวจนะที่ถูกปลดแล้วเจ้าตัวก็สุดท้ายก็ฆ่าตัวเองตายแต่ก่อนที่จะฆ่าตัวเองตายก็ฆ่าลูกแล้วฆ่าเมียอีกเหตุการณ์นี้เนี่ยนะมันทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายนะในใจของผู้คนเนะี่ยก็คือว่า อะไรทำให้เขาทำอย่างนั้นได้จิตใจเขาทำด้วยอะไรนะจึงโหดเทียมอย่างนั้นและทาไมเขาถึงระบายความโกรธความรุนแรงเนี่ยกับเด็กที่ไม่รู้อิโนโอนอเนอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็กาลังนอนหลับด้วยลหลายคนคงมีคำถามว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่าทำอย่างไรเนี่ย เหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายในบ้านเมืองเราแล้วอาจจะมีคาถามต่อไปว่าเนี่ยแล้วรัฐบาลจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้หรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกบางคนก็โยงไปถึงว่าเนี่ยนี่เป็นเพราะการที่ยาบ้ามันแพร่ระบาดฆาตกรเนี่ย ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของยาบ้าเนี่ยก็เลยทำเหตุการณ์นั้นจะป้องกันไม่ให้ยาบ้ามันแพร่ระบาดแดงไรหรือทำไมเนี่ยตำรวจที่ถูกปลดแล้วนึกจึงมีอาวุธปื น, นว่ามีคำถามมากมายนะในใจของผู้คนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยากอย่างน้อยก็ในเวลานี้ แต่ไม่มีคำถามหนึ่งนะที่เร่งด่วนกว่านะแล้วก็สำคัญไม่น้อยเนะี่ยก็คือว่าทำอย่างไรเนะี่ยจึงจะช่วยกันบรรเทาทุกข์นะผู้ที่สูญเสียพ่อแม่ที่สูญเสียลูกซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยเลยนะและไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวนะปู่ย่าตายายแล้วก็รวมทั้งสามีนะที่สูญเสีย คนรักนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์เด็กเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นผู้บริหารบางคนก็ยังมีท้องมีลูกอยู่ในครันนะคนที่สูญเสียนี่มีจํานวนไม่น้อยเลยนะมีเป็นร้อยๆเลยแล้วก็เป็นความสูญเสียที่รุนแรงมากอันนี้คือผู้ที่เราควรจะ สนใจนะและในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงรับรู้ถึงความทุกข์ของเขาความเศร้าโศกแล้วก็จุดหนึงความขับแค้นเฉพาะความเศร้าโศกอย่างเดียวนี่มันก็บีบคั้นใจอย่างมาก้ะทําอย่างไรเนี่ยเราจะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกของเขาไดนะนะ้สิ่งหนึ่งที่เราทําได้นะในฐานที่เราอยู่ไกลนะคือ แผ่อุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่จากไปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้บิหารศนูนย์เด็กเพราะควรจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่า น, นี้นะแต่ว่าก็จากไปก่อนเป็นควรเราก็แผ่อุทิศบุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญในวันนี้หรือในวันต่อๆไปให้กับเขาแล้วก็ส่งกําลังใจส่งเมตตาความปรารถนาดีให้กับ ผู้ที่สูญเสียซึ่งอทุกทรมานมากในเวลานี้ถ้าเรานึกถึงเขานะแล้วก็รับรู้ถึงความเศร้าโศก ข, ของเขารับรู้ถึงความทุกข์ของเขาเนี่ยแล้วก็พยายามส่งใจไปช่วยเขาแม้ว่าระยะทางจะอยู่ไกลหรือแม้เราจะไม่รู้จักเขาเนี่ยแต่ว่าถ้าช่วยกันนะส่งกำลังใจไป เรียกว่าทั้งประเทศเลยนะมันก็จะน่าจะมีผลนะอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้รับรู้ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ทุกคนเดียวไม่ได้เศร้าโศกคนเดียวหรือว่าไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งคนเดียวถ้าเรามีทางที่จะช่วยเขาได้มากกว่านี้นะก็สมควรที่จะช่วยแต่ก็ต้องช่วยอย่างมีสตินะแล้วก็ช่วยด้วยความ ระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเพียงพอในความรู้สึกของเขาการช่วยของเราก็อาจจะทำให้เขาทุกข์มากขึ้นหรือว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเลยเนี่ยเราสนใจแต่เรื่องของเราเนี่ยมันก็อาจจะไปซ้ำเติมเขาอย่างมีผู้สื่อข่าวหลายคนนี่ก็ไปถามว่าถามผู้ที่สูญเสียว่ารู้สึกยังไงกับการสูญเสีย อันนี้เป็นคำถามที่ไม่ควรถามเนะี่เพราะว่ามันเป็นการตอกย้ำซ้าเติมและในเวลานี้เขาควรจะมีเวลาที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับคนที่เขารักนะไม่ใช่ไปตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของสื่อหมุนชนหรือว่าของใครหรือแม้เราจะปรารถนาดีนะอยากจะช่วยเขาแต่ถ้าเราไปพูดไม่ถูกมันก็อาจทาให้เขาเกิดความ เาโศเสียใจหรือเกิดโกรโกรธแค้นมากขึ้นจนบอกว่าเออเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมากไอ้คาแนะนําแบบนี้นี่ไม่ช่วยเลยหรือก็บอกว่าเออคนเราเกิดมาแล้วก็มันก็ต้องมีตายมีจากไปมีสูญเสียอันนี้ก็คงไม่ช่วยหรือแม้กจะบอกว่าเขาไปดีแล้วเนี่ยในคนํานะนำแบบนี้บางครั้งอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าในกรณีนี้มัน ไม่ได้ช่วยเขาเลยนะแล้ออาจจะทำให้เขาแย่บางทีเราไม่ต้องแนะนำอะไรนะก็แค่อยู่ ใ, ใกล้ๆเขารับรู้ถึงความทุกข์ของเขาแล้วก็ช่วยเขาเดำเนินชีวิตประจำวันได้หาอาหารให้เขาดูแลบ้านนะทำความสารให้เขาเพราะว่าคนที่กำลังสูญเสียนี่เขาไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกระจิดกระใจจะทำอะไรอยู่แล้ว อันนี้ยังดีกว่านะดีกว่าจะไปแนะนำอะไรต่างๆด้วยความปรารถนาดีจึงบอกว่าเนี่ยเวลาเราจะช่วยใครเนี่ยก็ต้องเข้าใจรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาใส่ใจกาเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องเตือนใจเรานะว่าคนเราเนี่ยสามารถจะทำอะไรอะไรที่เลวร้ายก็ได้คาว่าคนเรานี่ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะว่าตัวเรานี่ก็ อาจจะกลายเป็นอื่นอาจจะถูกความโกรธ ถ, ถูกความแค้นครอบงงก็ได้อาจจะไม่ถึงกับนะไปทำร้ายผู้คนนะขนาดนั้นนะที่จริงแค่ฆ่าคนคนเดียวเนี่ยมันก็รุนแรงหนักหนาพอแรงอยู่แล้วแต่คนเราก็สามารถทำอย่างนั้นได้นะโดยที่เม่เป็นต้องกินยาบ้าเลยก็ได้ อย่างที่เราได้ยินข่าวนี่สามีฆ่าภรรยาภรรยาฆ่าสามีบางทีไม่ต้องใช้ปืนอะไรใช้ไม้กอฟตีจนตายก็มีหรือว่าพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อเพื่อนฆ่าเพื่อนด้วยเพรา ต, ต่างๆกันโดยความหึงหวงโดยความโกรธแค้นหรือเพราะเรื่องมรดกนะเรื่อง ผลประโยชน์แต่ไม่ว่าด้วยสายเหตุใดเนสุดท้ายก็มาอยู่ที่ความโกรธและความโกรธพอเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คนเราลืมตัวทําในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทําได้ในอย่างปกติเราไม่คิดว่าเราจะทําอย่างนั้นได้แต่พอเราลืมตัวเพราะความโกรธขึ้นมานี่มันก็ทําอะไรได้ทั้งนั้นวันนั้นเนี่ยก็เตือนใจเราว่าเรา มีสิ่งนี้อยู่ในใจนะงั้นถ้าเราเตือนใจตัวเองว่าเรามีสิ่งนี้หรือด้านมืดอยู่ในใจเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราระมัดระวังไม่ปล่อยให้ด้านมืดที่ว่านี้ครองใจเรา mm hmm. เมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์11กันยานะที่ประเทศอเมริกาเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยก็มีผู้สูงวนนัยคนชายชาราคนหนึ่งนี่ก็สูญเสีย ลูกนะในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เป็นคนเชื้อสาย อ, าอินเดียนนะเรียกอินเดียนอเมริกันแล้วก็เศร้ามากเลยนะซึมหลานก็ไปถามว่าปู่ตอนนี้ปู่เป็นยังไงบ้างปู่ก็บอกว่าในใจของปู่ตอนนี้เนี่ยมันมี หมาป่าสองตัวเนี่ยกําลังต่อสู้กันตัวหนึ่งเป็นหมาป่าสีขาวตัวหนึ่งหมาป่าสีดําก็คือตัวดีกับตัวร้ายมันกําลังต่อสู้กันอยู่เมื่เด็กก็เลยถามว่าแล้วตัวไหนชนะปู่บอกว่าตัวที่ปู่เนี่ยให้อาหารมันไอ้ตัวนั้นแหละจะชนะะตัวดํำนี่คืออะไรนะก็คือ ความโกรธนะความเกลียดความพยาบามไอ้ตัวร้ายเนี่ยไอ้ตัวดีตัวสีขาวคือความดีความฝ่ดีมีมโนธรรมรู้ผิดชอบช่วดีคนเราทุกคนก็มีสองมาป่าสองตัวอยู่ในใจเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อย่าประมาทเพราะว่า ไอ้หมาปา่าตัวดำเนี่ยมันก็ยังอยู่ในใจเราหรือว่าด้านมืดงั้นถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่ให้อาหารมันมันก็สามารถจะเอาชนะความฝ่ายดีในใจเราแล้วก็สามารถบงการให้เราทําสิ่งที่เลวร้วายที่เรานึกไม่ถึงก็ได้เมืม่อรู้ช น, นี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามนะอย่าไปให้อาหารไอ้ตัวดําหรือว่าด้านมืดในใจเรา ซึ่งเราก็จะทำได้โดยการที่ไม่ไปรับรู้สิ่งที่มากระตุ้นด้านมืดไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นงั้นถ้าเราดูแต่หนังที่มากระตุ้นความรุนแรงในใจเราก็คือการให้อาหารให้ด้านมืดหรือว่ามาป่าตัวดํานั้นหรือถ้าเราคิดแต่ในเรื่องลบเรื่องร้ายมันคือการให้อาหารมัน แต่จะดีกว่าถ้าเรารู้จักให้อาหารนะด้านสว่างหรือว่าหมาป่าตัวสีขาวทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็นึกในทางดีมีเมตตากรุณารวมทั้งเติมสติเติมความสึกตัวเราไปเรื่อยๆเพราะนี่คืออาหารชั้นยอดนะของอ่ามโน ธ, ธรรมสำนึกหรือว่าอ่าคุณธรรมด้านบวกในใจเราเราทาเงี้ยนะ มันก็จะทำให้เราเนี่ยโอกาสที่จะพลังพลพล้งพลาดพลั้งเผลอทำในสิ่งเลวร้ายที่เราต้องเสียใจในภายหลังก็คงเกิดขึ้นได้ยากอย่าลืมนะว่าคนที่ใครๆหมอเป็นคนดีก็สามารถกลายเป็นฆาตรกรได้อย่างผู้ที่เป็นค น, คนบางคนที่เป็นผู้บรรยายธรรมะนะวันดี้ึืนนี้ก็ฆ่าลูกของตัวได้เพราะความโกรธ ที่ไม่อีนางขังขอบไม่เอาใจใส่พ่อมันเกิดขึ้นได้เสมอนั่นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเอามาสอนใจตัวเราเองด้วยว่าได้ด้วยนว่านะถ้าเราไม่ดูแลใจตัวเราเองไอ้ด้านมืดในใจมันก็จะกำเริบนะแล้วก็สามารถจะครอบงําจิตเพราะมันสามารถพิชิตให้ความฝ่ายดีในใจเราและถึงตอนนั้ น, นก็บงการให้ เราทำอะไรก็ได้ไม่ต้องฆ่าคนสามสี่คนหรอกแค่คนคนเดียวนี่มันก็หนักหนาพอแรงอยู่แล้วและคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะที่เรารักหรือเคยรักเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เอามาสอนใจตัวเราเองได้ดีกว่าที่เราจะไปโทษคนอื่นแล้วประนามคนนั้นคนนี้แต่เราเกิดความประมาทในตัวเรา